เดี๋ยวูก็ติดยลอพอจะไปวันนี้าานั่งไอันน่ะมาูนั่งเลยมาืนด้วยเออูนะก็หลมพอยงมรู้ว่าไปไต่หวานหรือไปฮ่องกง หรือว่าไปตักถิก็ยังไม่รู้เลยก็ยังไม่รู้นะฮะไม่เคยไปผมพอผมพอยังไม่เคยไปเช่ไครับอีกคน น, นี้ไปหนาวร้อนอนแะแต่อากาศอากาศบางทีเนี่ยไม่แน่แ น, น, ะนอะเนามัต้นนึ่ฮะต้นนึ่งร้อนร้อนร้อน ถจะร้อนนั่งนั่งกันเดียวไม่ได้าต้องพูดดังนั่งก่อนเอ้ยเด๋ยวร้อนเอ้ยเขาไปนั่งไม่กไม่ยกเพน้าเขามีมากครับโอ้นั่นแปลว่างงๆพ่อพ่ออย่าทอะไร ให้เจนที่เป็น้อนี่แหละตัวเราเป็นเจนหอพี่วายผู้ใดเห็นพระธเจ้าผู้นนช่เห็นทูใดเห็นธรรมผู้นั้นช่เห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระเจ้าผู้น้ผู้ใดเห็นธรามผู้นั้นช่วเห็นพระิฉสมุปกาณ ผู้เห็นไปที่จตุมาบาร์เคลนคิดว่าเห็นพระธรรมตัวนี้อันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าก็าเห็นตัวเนี้เหมันอนฟองมาจากชีวิตเรานี้อันนี้กับอันนี้เหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันไหมครับต่อตอเอาจากมเมืองจีนเอามาจากที่เบตภาพเนี่ยอันนี้มาจากที่บทเบสนะฮะมังไครล มีเผยเด็กั่นแหละคือเผยโมถ้าอขอโทษนะนนนล้มพอ่อถ้าล้มพ่อจะไปที่เบ็ดรนะับอย่าไปเลยนะไปไม่ได้นะไปไหนแทบไปที่เบ็ดนะล<อ>้มพ่ออย่าไปเลยนะค่ะเพราะทีาาะ่นู่นอากาศเนีเขยบาบางมากเลยลแต่ที่นี่มีเท่นี้เรนนี่ก็มาเขียนที่หลัง ก็เลยเขียนหนึ่งทางนี้นับมาทางนี้ต่อมาจะนับมาทางนี้แทนที่จะนับจากซ้ายไปขวามันนับจากขวามาซ้ายเหมาน้นเราเวียนเอาศอกไปเผาเวียนไปข้างซ้ายเวียนไปข้างขวาถ้าเวียนทักสินทานทักสิน เตียบพระพุทธเจ้าเยงเลยข้างขวาพเจ้ามกะแข้างขวาการตะแคงข้างขวาไม้ตะแคงออกจากมกคามโลภความานตะแคงเขาไส้ไม้แตงอวิชาตันหนาววัทานเจ้าจะนที่หาเสียยากตะแคข้างขวาเห็นไหมพุทธจ ลูกบอลสีอะสิยะเงิดอะรมันเลยทำนี้ทำมาจังย่มาทางนี้ยียนมาทางนี้ยียนมาทางนี้มาทางนี้ยียนมาทางขวาทางขวาทางซ้ายเพื่อนเรียนเพียนหัอยู่ทางไหนเดินคนเดินทรมาสักสิ่นี่บางทีคนเดินอ้อมมาทางนี้ก็าม่คอยถูกแทนที่อ้อมมาทางนี้ เอาัวเรียนไปเรียนไปใช่มรีว่าทักสิทำปทักทิีพระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงนี้หรือว่าเป็นตัวทนพเจ้ามีพระพุทธเจ้าออกาาใใงานาวจากหลวงมาบาง เ, เป็นทองตำลั้งแข ง, ขง่ใช่อง เหลือนทองเดิน้ำปึดไม่มีโครงเป็นก้ตั้งแค่เลยต้องเอาเศนยกมาหนักมากไม่มีใครทำไดราคาหลายบาทลิตรัอนสามลิแ่นีเอามาหลอกเป็นุทะรูปลาบางวิ่ัยทำไมยังดีกว่ามาวม่ัยก็อะไรนะนั่มานแบบไหนเบกหาบลบกลดมา ที่แกวกมันอาจะนั่งไปมาทีพอเห็นมานก็ยกมือเข้ามาเพลนี้มสะดุ้งสะดุ้งมานี่เด็ดมานขันทัพมานมัจมมานสังขารมานเไรเกิดขึ้นมากแต่กอนเราเป็นไปมันสะดุ้งเห็นไขที่มันเกิดขึ้นจำลองพอเลยสดุ้งเป็นฟางชะละมัน เราก็ยอมขั้งพุทธลูปฝัง น, นี้คนเล่าเรืองกันหลายอย่างพุทธลูกฟังนี้ผู้หญิงถ้าลูกแห่คันเป็นบาปก้องซื่อต้องเอาพุทธลูกฟังนี้ไปถวายวัดจะพ้นจากบาปเขาก็เชื่อเั้งนึน <c oughs> <c oughs> วัดหนึ่ง ที่อยู่ในแถวแถวพุทธมณฑลใกล้ใกล้มีเดวก็พูดรูปปางเต็มไปหมดมีพระปางปวงมันบอกพราหลายทีค่อนเคยมาอยู่พระ่พุทธมณฑลทีหนึ่งนะเขาก็บอก้องตาเอาเหมือนกันแต่ลุงตามันเยไม่มีอะไรใส่มา เอาองเลกองใหญ่เลยหมดเลยเสียงว่าคนเนีงยค่าลูกมากสิเดือดเลยใช่ไทำแท้งงายทุทเราทำประทักศิลที่นี่มีพระประธานพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นี่เดี๋ยวเข้าไปหนึ่งนะที่ไหนเราไปไหนก็เหมือนกันนะไปแสดงไหว้พระเจ้าทาประทักศิลพุทธกยาเขาอยากเวียนทางใต่เป็นนี้ เวียนไปนี่เขาจะว่าหาว่าเราไม่เ็นชาวพุดไม่ด้วยเลยเวียนไปทางไหนเวียนไปไหนเวียนเทียนเวียนเยนีย อ, อะไรต่งตางๆมันแห่อ้อมสลาให้อ้อมหมดไปเลยนะหัวมือให้ไปตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกา ถ้าทำประเภทนี้ชิมเขาจะเบียนอย่างนี้มาตาที่รังคกำหนดมาคือคือว่าซ้ายใหญ่ก็แล้วแต่คือเรามือไทยนี่ถือว่ามือขวาให่ไี่พุทธยาไปเบียนที่พุกยาสองร้อยกว่าเก้าไปเบียนที่อิสิปตะงะสามรอยกว่าเก้าเบียนที่ ประทุที่ปริณิพานสามรอกาเก้าไปนับดูนะ<ม>ไปที่ไหนก็ต้องนัดทำประทศินแม่นคนเม่ือทำเราก็เดินไปของเราเองกำหนด ไ, ไปเรื่อยไปเรียนมาทั้งหมดเลยสถานที่ที่สังเวยขีณสสารเกี่ยวกับพระเจ้าในอินเดียไทเรียนไปเรียนทางนี้ าใครไปเรยนอะไรนี่ก็อ้อองอะไรน่อยหน่อยเป็นชาวพูดประเทศเด่นน้อยอาจารย์ไม่สอนเป็นเด่นน้อยอ๋อผมรู้แล้ ว, วันที่จีพ่าล้มพ่อไปผมดูแล้วจังวันนี้รู้ล้มพ่อไปได้เลยคือพระพุทธเจ้าเขาอยู่ตรงนั้นผมเคยไปเที่ทยวเ ค, ย ไ, คยไปเที่ยวนี่ปะาไ อ, จาอ้จ่านด้วยดจ ปาติติจ่าสามัมโมปะบานี่คือทาทำให้เกิดทำให้เกิดเป็นพุทธเจ้าพุทเจ้ากับลู่ทำมันนี้จริงจงพุทธเจ้าได้ทำมันนี้ก็ที่ว่าเห็นพุทธเจ้าถ้าไม่เห็นทำมันนี้ก็คิดว่าฉันไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระทำนี้คืออะไรช <c oughs> อนี่พระม่เ ห, หมือนกันไอ้มุมนี้กับมุมีต่างกันไหม ต่างกันอย่างลรขาวค่ะดำค่ะอันนี้สีดำอันนี้สีขาวอันสว่างอะไรีมืดสีขาวสว่างค่ะอันนี้เป็นสัตว์ไ่เป็นคนเนี่ยเป็นสัตว์ค่ะอันนี้เป็นคนรือเป็นสัตว์เป็นคนมองออกไหมมองออกเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยมีผู้มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนี่เป็นพระหรือเป็นโยมเป็นพระสู้นะ บางทีถ้ามันมืดก็มองไม่ออกนีเป็นคนหรือเป็นสัตว์ไม่รู้สัตว์หรือคนเนี่ยเป็นคนเลยนเป็นคนคนคนแต่มันเป็นเชือมีอะไรเป็นเชื่คนไม่ใช่สัตว์ครึ่คนครึ่งสัตว์คนใช่ใช่ว่าสัตว์ก็ไม่ทำมจึงเป็นนี้เวลาใดเราหลงหลงมืดมองไม่รู้ บางทีสมีพัญญามองกันไม่ได้จํากันไม่ได้สามีเห็นพันยาว่ะหมาพัญญาต้องเป็นหมาพัญญามองโกรธให้สามีก็มองสามีหมาเหมือนกันสามีแท้มองก็เป็นหมาเพราะมันมืดไม่รู้อานทีก็ฆ่ากันได้ใช่ไหมเรื่องกันดีๆนี่มองกันจะตูเลยจํากันไม่ได้เพราะมันมืด ความมืดจากนี้ก็เรีว่าอาวิชาไม่รู้ว่าเวล์อาวิชาเกิดขึ้นตั้งีสิ่งที่ า, ยายอยู่ที่ <c oughs> ในความมืดนั่นเหมือนกับป่าอยวก็ปล่อยนะทังนี้นะมีงูพิษงูจงกระงูเห่าดงนั่สัตว์ป่าเขาอยู่พวกเราอยู่ตรง น, นี้นะที่ใีป่าที่ราอย มองอยู่ยทุกวันวันใครเดินผ่านไม่ระวับบงมีหลังคาให้อยู่ในควมมืดหมดไปบางคนก็ชอบความมืดไม่ชอบความดว่งบางคนเดินตามถนนทางนประเทศไทยไม่ได้ต้องเดินในป่าในเขารั ด, ล, ดละเราไปมีไหมคนเรามีไหม ม, มีใช่ไหม ทำไมจึงเดินในตรงในป่าเพราะไม่กล้าอยู่ในความสวาม่างมีหอนทาลาดยางใจกามจิตให้เดินไม่เอาไม่ได้เพราะมีความผิด่าย่าเดินไม่ได้ต้องเดินในป่านิดเดียวแต่เมื่อก่อนเนี่ยแถวนี้ที่ไหนก็มียามาา่าลำบากเยอะๆหลังจากเป็นนิ่ยกหอนอกดมพวกยาบา้าเขาข อ, ขอทองบา่า ให้ึงที่มีภัยต่อสังคมมาอบรมผู้อยู่บ้านกำนันจับมาตอนนี้ก็ติดยใจก็จะหวังเดี๋ยวจับมาอบรมถ้ามาอบรมห้าวันเจ็ดวันไม่มาก็าจะจับอีกไปอบรมในค่ายทหารสามเดือนถ้าไม่อบรมอีกก็จะจับพอจะถึงค้าวทิ้งคนก็กลัวมากัน ขข อ, ขข อ, อ, อยู่วัดตู้คุ้ยทองก็มีผู้หยบ้านเอาเด็กมาจากบ้านใดให้ผู้อยู่บ้านกำลันมาด้วยมาดูแลแล้ว <c> ผ <oughs> ู้อ่บ้านปรงก็มานอนพ่อัวโตเด็กก็อยู่ฉลาเพิ่มให้เด็กรักนีแต่เมื่อเ็นคนรักดีรอตำรวจ มันก็หายไปสี่คนมีใครบ้างแล้วก็ตามไปถ้าตามไปมันก็มายอมมันก็ดีอันดาไปพูดกับพ่อของแม่เขาก็เวลานี้เราจะช่วยลูกของโยมเราหวังดีเราจะช่วยเจ้าเด็นี้เจ้ลมให้คอามนตาลายแลว้วพ่อเขาคนรับรองวาลูกของทิจยาจิด ถ้าไม่อบรมเกดวันนี้แต่ไม่มีฉิดเดินตามสนนทางนะ่ะรือว่าคดีเสร็จตัวแล้วต้องถูกจับแน่นอนถ้าจากเดินตนน้น น, นทางในประเทศไทยต้องผ่านเกดวันนี้ที่วัดภูกระถางไปพูดในพ่อแม่ทให้ไปพูดกุบลูกของพ่อเองนะถ้าไม่ไปที่นี่ไปอยู่ในศาลสามเดือน ให้ตัดจริงใจเอาแล้ววังดีจะเดินในป่าในดงเมืองสัตว์หรือจะเดินในบ้านในเมืองถ้เาเป็นคนเราก็ลูกคนคนนี้เตือว่ามาเชื่อพ่อเชื่อแม่แล้วไปอยู่โรงเรียนก็ม่เชื่อครูอาจารย์ไปอยู่วัดก็มาเชื่อพระอยู่อันก็จะอยู่ที่ไหนกันแน่ต้อมีแต่อยู่ในคุกในตลุลาด เ้าอย่างนั้นหรอแล้วแต่ก็หวังดีก็เอาลูกไปส่งทุกวันุมต่วันตรงไหนพาลูกไปได้เจออันเนี่ยมันชอบกอมมืดเลยมีเหมือนกันนะเอมมืดนี่อืออวิชาอิชาคือเสือลาตรงไู้อมืเนี่ยอันตรายนะมน จกันได้ฆ่ากันได้ทะเลาะกันได้ซิ้กันได้ที่ายดีเปลกันได้บามันมืดกยิงพ่อข้าลูกูข้าพ่อได้เห็นมาหลายคนแล้วไปจำไปมืดจำเันไม่ได้เห็ต่าจังงเลยชก่อนลูกชายเอาเียมาเลี้ยงถือยญามันมียญาตายันแล้วเหลือตะปูลูกชายก็ไปจาเร่องไป่า ไห้เมียอยู่กับปูปู่ก็บนให้ลูกจะไป้นิดหน่อยลูกไสโกรธวิ่งออกไปหาสามีที่ในป่าในเล้งว่าปู่ดาลูกชายพราะด็ฟังกขว่าปู่ดาปู่ปูป่ันทียังไม่ถามอะไรจีม่ม่ใส่ท่อนกันมาเปิลูกซองมาเห็นท่อนนั่งล้อต่อเดี๋ยวปืนใส่พ่อมืดไนหะม้ำพ่อได้ไห ม, ไหมอบ<ม>อกว่าอย่ายิงอย่ายิง ทำรบังยิงยิงทลุมองสูาคร่มองตยกันเต็ต่อเห็นพ่อรมตายลงแหวนปนโอ้ยพ่อกูตายแล้วพ่อกูตายแล้วงนใ้ไปอุ้มพ่อพ่อตายเวลามอมืจำไได้ใช่ไหมอันตลายอันตาย้วังอันตรายเวลโกธรเวลาหลงอ่ะมือนจะนี่ เป็นพ่อจะแท้จำได้เลยถ้ามันขาไอ้นี่มันก็จับกันได้อ่ามีไหมในเรามีบางครั้งมีไหมนะบางทีมันมืดนะนี่เรียกว่อาอวิชาคือไม่รู้ความไม่รู้็จะภาพที่ปัสสาวความรู้ความไม่รู้ในทุกความม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกความมารู้ในความดับทุกความไม่รู้ในทางให้ถึงควา ม, มาดับทุกวิชาเป็นปัจจัยเกิสังขารผงแทนไป จับปืนฆ่าพอ่ออะไรแ่ดงก็โกรธในใจโธทะโกรธขึงเครียดโทรศัล่กันเอาเยนี่สักนกนแพงสังขงงารครงแต่งลสำเร็จริงข้อสำเร็จตายได้สำเร็จใช่ไหมนี่อันตรายไหมเฮ้ยท <c oughs> ี่เจ้าเห็ น, ห น, หนห อ, อันนีห็นอยู่นนที่ไหนเนี่ย อยู่ในฝ่าเรรออยู่ในเราอยู่ในเร า, า, า, านี่ยเราจํากิดจำนมงาในตรงขดตรงม้วนกปรกมาต่อไปถึงสังขารตายสังขารมีกายอย่างนี้อะไรมันอะไรสัง่งมันนะมันมือสั่งฆ่ากันตายสังขารสังงส่งให้ทำชั่วเือสําหรับใบกราบไหวๆมันไม่ออ เจาะส้าไปเจงราคากันกระปุ่นไปเจงก็ดอนกายสังขารสเขากายไปสำชวสำ็กเอาอ๋อวัตถีสังขารด่ากันนานันนักแค้มมาคนไปแก้ว่าเป็นหมูไมาเป็นวัตีสัารสกทาวทางวาก็มอกเป็่บาปทาาจาก ถึงมาทางจิตปุงปุ่งแดงแดงเกิดหน้าี่สังใจขึ้นมาสังขารเป็นปัใจเกิดวิญญาณวิญญาณคือลูกตั้ววางแหวนอยู่กางวายข้ากันงอเขามีความรู้เหมือนกันนะวิญญาณตัวนึงแต่วิญญาณแบบนี้วิญญาณไปทางต่ำไทางบายโมเป็นเเป็นกาเป็นฉันลกเป็นเดรฉานวิญญาณแนี้มันติดกัทํานี้วิญญาณแ ใช่ใช่มันจะมีจักขญญามีตามองเราเห็นหลงตางตาชิวหาญวิญญาณอ่าสูตตาวิญญาณหลงทางหูเกิดได้ยินสียงหูเปิดพอใจมีไหมเกิดไม่พอใจมีไหมหูได้ยินอ่ะมันส่งมาที่จิตมันไม่พอใจที่จิตมันพอใจที่จิตอันเกิด โสตวิญญาณถ้าหูไม่ได้ยินไม่เหมือนหูหนกมันตานี่ถ้าหูหนกมันไม่ได้ยินว่าหมูมีวิญญาณถ้าบอด ก, ก็ตาไม่มีวิญญาณอืหูมันได้ยินเป็นสมุปัญญตัตคำพูดของคนเอามาเป็พความชอบพวามไม่ชอบของจิตใจใจเป็นคนที่รับรู้สมุปัญญตัตเข้าไปสอนว่าชอบไม่ชอบ แต่ที่ยื่นหลักใจเขายื่นเลยเขาก็เอาเหมือนบ้านหลังหนึ่งใครมานั่งก็ให้นั่งนั่นมั น, นว่าละแต่คนที่มานั่งในบ้านมันเสียหายยังไงไม่รู้ไม่รู้จากตอนร้อ น, าน อ, อากากปวดีระเนิดโสตยานขาดวิญญาณทางโมูกคิ้วหาวิญญาณทางดีกายวิญญาณทางกาย เ ม, ม, มื่อรอยยิ้มไปติดใจเป็นการนำการหูจมูกเร่งการใจเป็นประตูทางเข้าเห ม, มือนกับเมืองเมืองหนึ่งมีประตูโยกประตูมีประตูะตไหนบ้างเมืองกายจนครเนี่ย ตานล้วก็มีตัวข้อหกประตูก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกามีใจแล้วก็ที่แรกก็มีเช่นี้มีกายมีวาจามีจิตอันนี้เรียกว่ากายสังขารหรือว่าสังขารรักษาสมปลายหายสามโทษสมายือปากายปาวาจาปายจิต สะสะาอนนสะสะาศสยสามป่าอาศัสามป่านี่เคยมีสติเป็นนายสว่านบานโฝ้ดูตะกุลได้เห็นลูกก็มีความรู้สึกแต่ จ, จะว่าเห็นหูดีเสียงก็มีสติแต่ จ, จะว่าได้เย็นไม่เอามาเป็นคนวามโกมไหมยเหนียวก็ามไม่ชอบหังจะหัวได้เยินที่ในรถตายสัมป่าจิตใจจิตนึก ก็มีสติ๊กเข้าตรงนี้อาการดุกะมันจะผ่านมานี่เข้าให้ดีถ้าไม่ดีก็จะปล่อยเข้าไปก็ครั้งอิสติเข้าไปดูก็สัตวแต่ว่าตาเห็นลูกวสัตวแต่ว่าหูดึงเสียงวสัตว์แต่ว่าจมูกได้หยินลื่นในรลดไปฉันปฏิ จ, จัยจิตนิกสัตว์ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องโมลิสู พี่เ <c oughs> รกวตนก่องเหือนอาจารย์โคละเรียนจบตไปททตกไปไหนอ้างไว้ตัวต่างๆเก่งไม่มีใครสู้ได้เลาไูไปสอยอดมอ้ง า, าองาสไสูน้ไสูในตเหนงก็กลัวอด็กลัวอาประูไปูกัน ในพูดเรื่องควปจริงเวลาไปพบพเจ้าเวลาไปพบพระเจ้าพเจ้าอดทักทายว่าภิกษุปไปลานเต่ามาแล้วหรือเลาจะกล่าลาพรเจ้าภิกษุปไปลานเต่าไปแล้วหรอพูดแตคำนี้พระเจ้ า, าอกมาแล้วนะโพลิตะไปอยู่ไหนว่าไหนมังใดไม่ได้เลยภิกษุไปลานต่ ไปมาเล้วหรือพิจารเวลาผ่าไปแล้วหรือทั้งๆที่ลูกปฏิปุจจะทำไมพูะเจ้าหรือว่าไวลาผ่านก็มีควาน้อยใจเสียใจก็เลย ม, มองตัวว่าเออเราเนี่ยมันมีทิติมาน้ำมากกัไนไรแล้วต้องหาครูบาอาจารย์แต่ก่อนเราเป็ น, าานครูบาอาจารย์วันต้องโลภวันนี้ต้องเรียนรู้เรื่ต่างเลยไปอยู่สำนักหนึ่งเราเป็นลูกศิษย์สองสำนักนั้น อ้ า, าอาจารย์ผู้หลาใจอาจารย์พัดผมมาขอเรียนให้อาจารย์รสอนผมด้วยสอนนี่เขาบอกไหาอุ้นนั่นไปได้ไหมเคยได้ยินไหมเอ า, าอไปยืนตงนีงถึงามาลรานี่นเป็นผู้ใหญ่ไปหาอาจารย์รสาล อาจยนสรงศิลาจนวัชชัยหาจอาจารย์โนดลองเจ้าวาดอาจารย์นกว่าไปหาว่นั่นว่าผลสุไปหาเนนน้อยไปอาจารย์โพดังก็ไปหาเนนน้อยเนน้อยไม่บอกเนนได้บอกเอาไม่ได้สอนอะไรอกหกข้าจีวรข้าสงขาตีวานวัยชีสะ อาจารย์ลงไปในสถานีในน้อยกว่าพยายามเพือ่อถอดผ้าไหองถอดละอ้ท่านพูดเนี่ลงไปก็ลงไปน่าถึงเอวพอไมมเน้นยังไม่พอต้องไปอีกลงไปน่าเสียงอกพอไม่เน้นยังไม่พอต้องไปอีกลงไปน่าถ็งคอ พอเด้งเงี้ยจังพอลงไปอีกฮึ่มฮึ่มฮึ่มลงไปหน้าเด้งปากพอไม่เน้นเออพอเล่าขึ้นมาขึ้นมาแสดงว่าเชื่อฟังแล้วบกให้ไปต่อนี่น้าไปเราเชื่อเนีนแล้วขึ้นมาอาจารย์ขึ้นมาอาจารย์โพลิขึ้นมาพอขึ้นมาก็เห็นมากเบีจอมผัวจอมเีย มีรูอยู่หกรูลก็มีตัวเหี้ ย, ยนี่นั่นตัวหนึ่งเหี้ยนี่หมายถึง ข, ของไม่ดีนะใช่ไหมเราเรียกว่าไอตัวเงินตัวทองไปเรียกว่าเหี้ยหนึ่งอย่ตัวเหี้ยตัวหนึ่งในโจมโปกด้านจะจับเหี้ยมาฆ่าทําไงจึงจับเหี้ยได้ในโจมโปกด้านอ่ะมีทั้งปกรู มันออกคูเล้งก็ได้เขารู้ไหนก็ได้อย่างฤกษ์ยาจะต้องต่อว่าปิดเจ้าห้ารูเหลือไวร้รูเดียวเหลือไวร้รูเดียวคือตา ก, ก็ปิดจังพระวานพระปิดพระหวา น, าวานอย่าไปใช้ตาให้เกิดปัญหาหูก็ปิดจังเลี้ยก็ปิดสัง อ, อากายอ่ แกมอก็ปิดใจลิ้นก็ปิดใจกายก็ปิดใจเหลือไว้คอยดูเดียวคือไม่โหนอีย่างคอยเข้าดูใจมันจะเจ็บจะทุกมันจะหลงจะลูบมันเกิดที่ใจฮัลรมันเหมือนเรามีจริงมันคิดไปจะลูบมันก็รู้ลู้อยู่โหเออแล้วขุดตามดูเดียวไปก็จำเนี้ยได้เออโคิดแล้ว เข้าใแล้วนี้ก็บรรลุธรรมเตทมตำไม่น้อยเป็นอาจารย์อก็เถียงเสอนตอนนี้เองแล้วยังมีกรรมฐานเตินก็ได้ไหมเรา <c oughs> เสรเ็จแล้วอนนี้มนโนวิญญาณมีสติแตกแต่ไม่ไปิดเลยก็ปล่อยปากแล้วเลยมาแสดงเวทนา เป็นโสดเป็นทุกข์เห็นลูกเป็นโสดก็มีเป็นทุกข์ก็มีเรียกว่าเวทนาหูดินเสียงเป็นโุกเป็นทุกข์ก็กก ม, เกกมีเรียกว่าเวนานเเนเนทนาเวท น, นานี้แล้วก็ติดคนว้นไดเวทนาดีเยอะแยะต็ดเล้าทิพย์พูลีก็เวทนามันโสดของด้วยเขาสมมติบรรยัญญตเอาถ้าไม่กินเล้าก็มาจึง เ, เข้าดีกว่า ถ้าไม่จูบุตรีเขาไม่ึงเข้าเด็กผ่วมันติดอะไรที่มันเวทนามันติดทั้งหมดติดสุขติดทุกข์ติดโกรธลุหลงยอมปล่อยอ่อนเวทนาเป็นเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดตัณหาเกิดตัณหาาก็เกิดตัณหาเนี่ยเวทนากอเกิดตัณหาคืออยากเขาอยากอยากฆ่ามัตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหา ธมมรรมะศาสนาในสังขาก็ธรรมดาของคนของสัตว์มีลูกมีเมียมีรับเข็ญเงินทองคนรับก็อยากได้ให้มีวันดีความจนของคนเรให้เป็นเศรษฐีเป็นเราจนเราลําบากก็อยากสบายยันหมันเพียนยันหมันเพียนบันดีความจนนะเป็นเศรษฐี คนจนทำตัวเป็นคนจนอาจจะร่มรวยได้คนจนทำตัวเป็นคนรวยอาจจะยากจนได้จนลงไปอีคนรวยทำตัวเป็นคนรวยอาจจะยากจนได้คนรวยทำตัวเป็นคนจนมีแต่จะร่ำรวย <c oughs> นี่คือปันหาใช่ไหมรวยวผู้คนจนก็มีนะอย่างอย่างนี้หลังตาไป สเน็ตกำนันคนหนึ่งในกันถปงว่านเขาเขาเหว่ยนี้เขาจะมีสามเป็นกำนันมาหลายสายมัยปประธานในกำนั น, นเนป่วยแจ้ก้นนี่มัตายสมพระกระดูสมัยก่อนก็มาอยู่หลังเขาเนี่มานก็ร้องชายจาเจ้าเมียมาด้วยเด็กพอาราให้เมียมาอยู่ในตรงในปา่า ่งันสมควรนี่ก็พาน้องชายทำได้เมื่อได้ออกจากไร่เลยโตเดือยปลูกข้าวโคกปลูกตัวอกปอกแคว้นแต่คั่วก็เหนื่อยหาครับปกชองหาของไปขายมันหนาแยแล้วก็ให้ผู้หญิงก็ไปหาให้แต่คณะสาหาบให้เขา ลอยลงไปเราลงเขาหาของตนลงไปเล้อวางไว้ข <barrier difference. S 1> ึ <c oughs> ้นมาหาให้เวลาเข้าบ้านเราไม่เข้าบ้านก็อาให้ผู้หญิงมาไปหาของฝากให้เวลาได้แล้วเก็ผู้หญิงก็หาออกมาจางไว้นอกบ้านกำลังตังเกินก็หาต่อไปคอยไปรอไปขึ้นเขาภาษาอย่างนั้จนได้เงินได้ทองมาเอาไป น้องชายไปกินขนมอยากขนมไปซื้อขนมไข่ผลละก้อนกับน้องชายน้องชายกินขนมทั้งกระดาษห่อเห็นกระดาษอยู่ในปากน้องชายน้าตาไหลในในท้องตกสงสาร น, นอ้องจนหันก็เ <c> ล <oughs> ยมีความยากจนขนาดนี้ต้องสู้คนที่เกิดสร้างฐานะขึ้นมาเพราความจน ตาเพือพังคนจนไม่เกียจข้านขยันหมั่นเพียนพวกกองนานหน่วยตันหาไม่อยากจนอยากจะมีความสุขให้งนินมีทองสร้างฐานะขึ้นมาร้อยก็ฐานโขข้าวโขขของด้วยในบ้านในช่องทำไม่ทำบ้านอยู่วันนี้ไปเอาเมียมาพ่อตามมาดูเห็นว่าเออพออยู่ได้ ให้มีมาอยู่ยนี่ก็เป็นคในฐานะดี น, นี่เหมือ น, นความจนอาให้ร่ำรวยได้ถ้าทตัวเป็นที่ว่ากนหาธรรมดาไม่มีพิษไม่มีภัและสู้ร้อเหี้ก็ต้องเป็นคนดีด้าคนจนมันต่อควจนมีแต่จนด้วยกันมันตเคยเป็นคนจ น, น, น, น, นที่สุดอย่ามาพูดเรื่องควาจนความทุ ก, ทกออยาให้ฟังละให้เหมือน ไอ้คีน้อยตัวนี้ได้ไหมเรียนจบกีลานะมันตาเรียนแค่3ชั้นเท่านั้นพอ1พอ2พอ4พอ3ไม่เรียนเลยทำไมไม่เรียนทำไมนั่นบ้านไหนย้ายบ้านมาจากหนองเหลือมาอยู่จังก็พอมาเข้าพอ1กนอายุสิบกว่าปีแล้วพอพอ2ก็15ปีเป็นสาวเป็นหนุ่มแล้วก็ออกไป ถึงนค่ปว .1 ปว .2 ต้องออกไปหมดน้องตามมาที่หลังเขาเป็นเด็กๆอยู่พอขึ้นปว .1 ก็เป็นเด็กปว .2 ก็เป็นเด็กที่นี่ปว .3 ปว .4 ไม่มีเลยอครูก็เลยให้เราขึ้นปว .4 เลยจะนั่งอยู่คนเดียวปว .3 ต้องเรียนเลครูวันเดียวตอนนี้เราไปเยอ่านหน้าชาติให้นักเรียนทั้งหลายฟัง เราอ่านได้ตอนเราเรียนมาจากอังาาเกือร์มันจะเรีนกว่านี่เรียนแค่สามชั้นตอนนี้ <c oughs> จนมากเรอยู่านใหม่พอขอมาตายนิจจานาัเป็นดงเป็นปา่าเลยจนทีุ่ดออาศัยความจนเนี่ยทำให้ดีความขยันอดทนภาคเสียนต่อสู้ไม่กลัวไม่กลัวความทุกข์ความยากอะไรเป็นคนรีบรีมาจนนวันนี้ อาจนกลทุกมันไม่เคยกลัวเลยเ๋ยวเรให้ฟังไหมอาบน้ำห้าแก้วมีใครบ้างอาบน้าํา้าแกแ้วไรเร้ทาได้ไมรุ่นใเคยอดเข้าอ่านหน้าก็เคยอดจริงัญหาตี่ไม่เป็นไรแต่เพราวะาัญหาเนี่ยเพราะว่าทหาอยากเป็นโน้นอาก็าก็จะเปลนนไีนน้ต่อเพราวะตั้งเพราวะคือบ เป็นสามีโอ้เดียวไม่เดียวอาจจะไม่เต็นกองอยกอะไรคนนู้นอีกไม่พอใจอยากมีนอยากมีนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ดูจากยิ่งต่ไหานท่าของตัณหาไม่ดูจากยิ่งเต็ท่าของความอยากมันก็ถึงขาว่าตัณหาตัว น, นี้เนี่ยอันตรายกันแล้วอยู่ด้วยกันก็คิดล้อกันก็เกลียดกันกันเบื่อน่ายกันได้เพราะวิปภวตัวนี้เข้าไปแฝงซ่อนนยิตงดีได้ไหม ต่อไอีกมันไม่อยู่เชียเนี่ยมึงปล่อยไะแล้วเลยไม่มีสติมันก็โคตรมาก็ถึงทิภพวจนะหาลายกาดที่พระวจนะป้าชัดนั่นบาชดชาดนี่เลยเ ป, ปเป็นสามีก็ปาดจากความเป็นสามีไม่รับผิดชอบปัญญาตอนนี้เป็นพ่อคนพอมันรับผิดชอบโลต้าเป็นพ่อบ้านมาเดือนทิ้งบ้านแล้วเดือนไปบ่อยให้ลูกขเขมียูย่รำพังที่ว่าไม่รับผิดชอบ มีเหมือนกันก็ในโลกนี่มีไหมเป็นพ่อเป็ดเป็นพ่อแมวไปใช่ไหมอ่นานี่เรีว่าพิภวตัณหาอันตรายต้นนี้ตันหามันไม่อยู่ที่ตรงที่นะถ้าเราไม่ดูแลมันเกิด อ, อ, อะไรต่างๆเมื่อเสืยามเสียแล้วจะต้องทุกข์แน่ๆต้นหาเป็นปัจเจกเกิดภวฐานก็มีภชาติหมายยึดมั่นถือมันในพิธีของตน ทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากเรียกว่าอุปทานเกิดกันดาวปวเจาความยิดมั่นถือมั่นใช่เนี่ยอุปทานมีงหน้น า, น า, นาคิดที่สำคัญว่าเลิศภูเขาทำคบดีกว่าเขาทั้งหลายอันที่ก็สำคัญว่าเลวภูขเข า, า, เ, ข เ, ขาเห็นเขาได้ดีทนอยู่กันได้อิจฉาเพียรเลี้ยงเขามีปมด้อยมีปมเครื่องในหัวใจไม่รู้สึกว่าเป็นมิตรภาพกับอะไรเลยบ้องเป็นบวกเป็นลบ มีแต่ความพอใจมีแต่ความไม่พอใจมันก็มีความปกติของกิตอยู่นี่คนที่มีสัญหาประทานนี่ดีใจเฉยๆไม่มีเส้นตรงนี่อะไรว่าเส้นตรงมันแบ่งนี่นี่ดีใจเฉยๆดีใจถึงร้อยเปอร์เซ็นเป็นสุริชชนเฉยๆร้อยเปอร์เซ็นเป็นสุริชน ก็เสียใจ75ปอซขึ้นมาปกติได้เสียใจ50ซขึ้นมาปกติได้เสียใจ25อร์ซขึ้นมาปกติถ้าไม่ต้องเสียใจเลยปกติเรเื่องเป็นใจเป็นพระจะได้เป็นทีเจ้าถึงพระที่นี่มันไม่เป็นนะใจที่ไม่ปกติคตรเพีโบเพียบเ่ถึงผู้บริหานเนี่ยอันตรายมนกเ สำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นงั้นเราเป็นงั้นหรือว่าเวลาทุงตนที่ตู่ประดานเห็นความคิดของตนเห็นผูกคนเดียวผมกวคนอื่นได้ถ้าเกิดพบะวะ่าพบเกิดภาวะภาวะของแต่ละขั้งในกิจที่มันเกิดจากกิจแม้แต่มันเกิดพบใ ด, บใดความใดบางทีมันมืดมากก็เป็นเป็นสัตว์เป็นสัตวนรกเป็นสะ เ, เดชาน พบแล้วเป็นพบเป็นพรมเนาะเห็นคงจอกเป็นบัวเห็นหมูเป็นปลาเห็นทั่วเป็นดีแปเป็นพบเป็นชาติใส่ําดีได้ไม่ได้เลยบ้านเรือนมีอยู่ไม่ยากอยู่ไปอยู่ในคุ้ในเวลาให้เขาเห็นเขาข้าน้องตาเคยไปเห็นแต่ก่อนก็เป็นนุ่มมาอบรมนับโทษตามลงหมองดาห้องคงขันต่างต่างบางมาดูรลายมากอยู่ก็มองไม่ได้เราไปสร้างคงเลือให้ คงเด็กเขานี่ยก็นั่งก็ไม่ยนั่งเลยนั่งนั่งทีปู่นกต่อเด็กไหลไปย่ออยู่นั่งอยู่เนี่ยแต่งานนั่งอยู่เนี่ยก็ยังโกรธอยู่นึกาดำความเครียดไม่มีความยิ้มเลยมันร้อยสะอาดมีแต่อันจะฆ่าจะแกงทําเราเลยขังไว้ใส่สู้เส้นเขาเนี่ยมัดขาไปปิดโซ่เลยไมพ่พอเอาเอาเอา เอาท่อนไหมสิวเป็นรูแล้วสอดสอดโซ่ไปขันไหมลอกเราเยว่าโจรนเรียกว่าโจ ร, ว เ, เ, ร, วรวเวลาไปไหนถ้าเขาป่วยเขาจะต้องอ่คนนี้ก็เอาผ่าเชือกเขาไม่ใส่ก็นุ่งกงเกงหัวหายรูดตัวเดียวเชือกไม่ใส่เอาผ่าผูกโซ่มาคล้องกอเดินเดินคอของมันหนักโซ่จบจๆจ คนแค่ไหนทำไมเปลี่ยนเนี่ยเพระอะไรเพราะตัวเนี่มันเป็นภพเขาโวหวอใจในความโกรธเทากูได้โกรธตายกูไม่ลืมแล้วกูได้กรกูเม่กล้ามันกูยอมเป็นภพเอาความไม่ตาไปานี่ไปละเลยในชีวิตของภูมิเนี่ยเรืองภูมิเนี่ยมันเป็นภูมิมือนต่อาเป็นภูมิมืดกูมีพพ ก, กวูมีชาติ พงขึ้นมาเป็นมานะเิดเป็นตเป็นที่เป็นชาติมาเป็นพบเป็นชาติเป็นเปรตปากเท่าเข่งท้องเท้าูขาหิ้วปีศุจกายไม่รู้จักเลี่ยนคนไรเป็นคนเดิมไปสนนลุกเล่าล่นนเป็นที่เด้ฉันงูเงาอาชุก็มาสี้ขาดี่ขัว อาแล้วก็คิดไปกลัวไม่กล้าทําคนเดีเยวเป็นเป็นพวกเป็นชาติเลยในในในในภูมเนี่ยพอพวกวกวระโดดถึงยาดยอดด้วยชาลาห ม, มุนนะ่ะในที่เหมือนเกิดขึ้นแต่ข้างเร า, าพังก็ตายไปอื่นมันก็มีชลาห ม, มันนะ่ะ ก, ก, กั น, น, กนกเส้นความโกรธก็เฉล่เป็นชาติเกิดขึ้นแล้วคือความโกรธก็เชลี่ยเป็นในความกรมันเชลี่ยเป็นเมื่อมันเฉลี่ยแล้วมันก็เจ็บเป็น ก, ตก็ตาเลย ตอนที่มันทำผิดแล้วก็งรู้อพอพฉลาดมงมมันก็มันก็ผิดเร็จแล้วดังคนที่หลังตาเบาเลยยิงพ่อตายเพอการโกรธแล้วมันก็หมดไปเกิดรับผิด ช, ชอบมาเอาข้าวพ่อเราเปิดสวมสงสอนรับพชชบพพานเลน้ อ, อ, อย่าเอ า, ากมาเกี่ยกันจยวความทุกข์มาเป็นตัวกันตนถ้าเป็นจากนี้ก็เป็นภบญาติเกิดดับเกิดดับเกิดดับ เกิดกีข้งกีขนการเกิดทุกการเป็นทุกต้องตานี่พระเจ้ามองแต่พระเจ้าจะคงมคนไหนสงการแบบนี้เพราะฉะนั้น้มีตรงไหนบัาเนี่ยจริงๆแค่ตรงไอยมีวิชาเกิดมีสติกำจัดพอมีวิชาสังขารก็เกิดวิญญาณก็ไม่เกิดเวทนาไม่เกิดตัญหาไม่เกิดอุปทานไม่เกิดพบชาติเชลามันะไม่มีก็เวียนมาเกิดมาเกินมาเกิดมาเกินมาเกิดมา เขียนกับเรียกว่าปฏิลมอนุลมปฏิลม์เรียนมาเขาเขียนกลับนี่จริงๆเขเขียนเป็นว่าเรียนมาอันหนึ่งเรียนไปอันหนึ่งเรียนไปเป็นชาติศิลป์กาเรียนใถ้าเรียนปั้วเป็นวิชากลับมามังกลับมาได้มันเขียนได้ไม่แก้ได้ปฏิบัติได้ผลได้เมื่อมีวิชาก็จะมีวิชาเมื่อเวลามันหลงก็ต้องมีความไม่หลง คนล่างน่น่ยในถ้าเมอย่างนี้มันก็มีเปลี่ยนตัวนี้ทำจรงแล้ทำเสีล้วจะนป็อะไรดำหรือขาวีขาวละทำดำเสียแล้วจะเป็นดำขาวโอค่าโค่ามากมาไมโอค่าคือห้องน้ำมีห้องน้ำอยู่แต่ไม่มีฝั่ง มีมีฝั่งขึ้นฝั่งซะจงอะไถึงที่ไม่มีน้ําจากที่มีน้ําทีวิตของเราบางทีมันมุดลงไปบางทีมันเตะขึ้นมาอันก็พอใจความปอขึ้นมาเมืเวลามันโขึ้นมาเอาก็มุดลงไปน้ําเอท่าคือกวดตน่นและทำรำบคือคือทุก ถ้า uh, ใจดีใจดีก <it>. ็หอนกันที่คือพ่อเคื่อแม่คือพันธุยาสักเจ้ากันคนใจดีถ้าคนใจร้ายก็เป็นแต่นี้ทอดทิ้งกันให้อยู่ที่จิตใจของเราต่อจากนั่งกลบมาถึงตอนนี้มีลูกไปนากองขันตามก่าองจริงวางดีขันที่หมู่บ้านยืด กันที่เป็นโบธานก็มีเป็นขัดรุ่นๆ่นนขันหน้าดวงหนึ่นงสองสองสี่ห้าดวขันหน้ามีขีดตรงนี้นี่เริงไว้ในขันหน้าก็มีอ่ามีปัดเมียนชาติอวิชา ไอ้นตัวนี้จงคนตาบอดคนตาบอไ ป, ไปล่ก็จะลงงหลอดดเจ้าตาดีไม่จุงข้าเจ้าตาบอดตัวเจ้าขาข้าเจ้าตาบอดจะจุงตเจ้าตาดีเขียนไว้ที่วัดวงเชียงใหมต่ตคืออะไรตคือพระอพระตเจ้า ต, ตาดี ไม่จูงค่าเจ้าตาบอดอาเจ้าตาบอดจะจูตตงตุเจ้าตาดีปัญตาบอดจงวนตาบอ ด, บบอดมีคนตาที่อยู่นั้นก็อวิชามันเมือ่อไปรู้ของคนตาบอดอวิชาเกิดสังขาพรพงแต่งไปเปลี่ยนแตงไปเป็นสังขารสังขารเหมือนคนนายช่างปั้นหม้อน่าผิดผลที่นายช่างปั้นหม้อแตกทางนั้นจิ่งใด้ี่เกิดจากการพรงแตง ไม่เทียงไม่มัน่นอย่าไปคิดว่าเป็นตัวเราเ้าเป็นสังขารเหมือนนายช่างกปน็นน่องมาถึงวิญญาณ น, นี่วิญญาณ น, นี่เหมือนกับเริงข้เ อ, นอนเอานู่นข้อนี่ซุกสนอยู่นิ่งไม่เป็นเห็นไหมในภาพเิงเห็นไหมอยู่นิ่งไม่เป็นเหมือนเริงเราจะเปรียบแล้วคือวิญญาณเกิดตั้งคิดลิงอ่าอ่า ที่ชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณเหมือนดิงคือวิญญาณแล้วมันต่อไปเป็นนามรูปนามรูปนี่เป็นรูปเป็นนามเหมือนกายมีใจเมื่อวิญญาณก็มีกายมีใจเต็มที่เหมือ น, นคนสองคนเนี่ยวิญญาณคือรูปคือนามคือน้ําคือรูปคือนามว่ารูปรูปน้ํารูปน้ําเกิดจากคันมรนดานามรูปเกิดจากอาเจตนะ ส่นรูกน้ำเกิดจากปีรารรนดาได้เกิดมาครั้งเดียวหลงตาได้มาจากพ่อจากแม่นี่เป็นพ่อเป็นแม่เมื่อลูกทําน้ําทํานี่พ่อของพ่อของหลงตาก็อยู่ตรงนี้นม่ก็อยู่ตรงนี้ถ้าหลงตารักพ่อและแม่ก็ไม่เอาลูกเอาน้ําที่ได้มาจากพ่ อ, อจากแม่ไปทําชั่วไปให้เป็นทุกข์สงสารพ่อแม่เราโกรธเราทุกข์ไม่ได้ทําชั่วไม่ได้ ไม่พาพ่อพาแม่จะทของชั่วจะพาพ่อพาแม่ทาคนดีอันนี้รูปนามได้มาจากพ่อจาแม่ใช่ไหม <c oughs> แวพ่อแล้วแม่ก็จะอันนี้เป็นะแ้รูปเปงคนดีสุดใจไหมแล้วก็มนีนชั่วรนะูไมอันนี้หัวใจของพ่อของแม่แม่อ่ะ ห, หนตาไม่มีพ่อมีแม่แล้วแต่นี้พ่อแม่ยังอยู่เนี่ย จะเอาพ่อแม่ามาทำแต่ความดีตลอดไปทาแต่ป่ยไม่ทำบาปน่ว่าลูากทำส่วนนามาทานี่นามาูกนี้มันเกิดมาทีหลังเกิดจากอาเจตตรนะาตรนะาถเห็นลูกเกิดความพอใจไม่อใจก็มีเวทนาฉันหาเหมือนกันนาา่ะลูกเกิดนามลูกเกิดอาเจตนะอาเตตนะอาเตตะมีบ้านหกหลังอาตะหคือตาหสมุนไพรให มันก็ใช่ไปในทางที่ผิดดยบ้านหูหลั ง, งถึงตาหูสูด้กระเจเมื่อมีไอนะ ก, การใการภาาธรรมดามีตาก็ต้องเห็นลูกมีหูก็ต้องได้ยินเสียงเกิดภาาภมันคนสอคนผู้หญิงผู้ชายสัมผัสกันเกิดภาษาบางทีเกิดภาษาแล้วเกิดชอบกไม่ชอบดิวะเวทนาเวท น, นามาถึงนี่นี่ก็าเห็นลูพอใจตาเห็นลูกไม่พอใจ พรามันะสะสมีเขาถึงเวทนาพอเวทนาเกิดขึ้นเกิดตัณหาตัณหาเนี่ยมันก็อยู่ที่ ย, ออย่อนหย่อนมืดบอดเหมือนคนตาบอดหูบอดเลยไม่ยินเสียงเพื่อนสนิทพิจรารที่ปราชญ์ตีเตือนไม่เชื่อฟังใครมืดปอดปเลยมืองพิจารณาถ้าเกิดตัณหาแบบไหนก็จะเ อ, อาไว้รติบุรีก็อยากบุร ก, ก็ไปสู้ไปสู้ คนชิ้เล่าคนเหนียวเล่าคนชิ้นเล่าคนชิ้นเล่าไม่เหนือก็เลยเป็นเพราะมันเป็นเมืดบอดหลังคนหูหนอกตาบอดไม่รู้อะไรศาสนาอุปทานก็เหมือนกับยุดมั่นถือมันสําคัญมั่นหมายเราดีพวกเขาเราเลิกพวกเขาแตลูกนี้ยินยานิ่งมันทําอะไรนะมันจะอะไรลิงตัวนี้ก็เอ มนเหมือนลิงจิตวิญญาณที่ม <weak> the ันต้องการจะเอาให้เหมือนลิงก็เอาผลมาจะเอาจะเอาของูของโกวิญญาณนี่ปวดเหมือนกลิงจใจของเรา้มันหยาบมือนก็เลิงทุกนลิงอยู่นิ่งไม่เป็นลิงไม่มีใครสังคับในลิงอยู่นิ่งยกนเหมือนวิญญาณก็คิดเหมือนจินิ่งใจก็ไม่วิญญาณวิญญาณก็ดำน้ำเกิด ยินเดือนแล้วก็ลับน้ำเวทานอเคนลูกยันละพะจะเวทนาอ่านี่อุทานอุทานแล้วก็เวนาอะไรเดมเลยน้ำเลี้ยงยาน้ำลูก ครบค่ะประทานจะเอาให้ได้วิญทานประทานคืนลีงฮุบประทานฮุบเหนือโขคอบคเห็นหญิงตั้งทันทำใ้เกิอออกมาพบได้ค่ พบไม่ดีเกิดเป็นเปรตพบมีรเกิดเป็นเจึิญไม่ดีเป็นเจริญโลกเป็นเนื้อฉานพบเกิดใจหญิงตั้งพาเกิดีตั้งพบดีก็เป็นเป็นพระเกิดเป็นพระเป็นเทวดาเป็นอินร์เป็นอมะพบเป็นชาติเหมือนหญิงคลอดลูกเกิดเต็มที่แล้วเกิดกลมล้วกมยังเต็มที่แล้วเหมือนหญิงคลอดลูกใหม่เกิด เชื้อราหมดโ ล, ลกเกาะกะตยกระตุกบางคนเกิดเท่ายอนท่าทรรุเรศมากในความโกรธต้องก็มีความเชื้ า, าในความรักก็มีความเชื้ราไม่จริงจังเป็นตัวสังขารสังขารมันแปรผาดแปรนี่ก็เลยเป็นเรื่องของเราทั้งนี้เนี่ยก็เลยเขียนในหน้าอามาจากชีวิตของเราพูดเลยเห็นโจานื้องด้วกันเพราะอะไร อยู่ดีไม่ใช่เราวะรจ้โกรธเลยเ๋ยที่เราโกรธมันมาจากไห น, นมาจากความรู้ถ้าเราลูากนี่ก็มันก็ทวนกับเมื่อมีวิชาสังขารไร่มีสังข์ยั ญ, ญไม่มีนามลูปไม่มีอ า, าิยสัจสัพพิสัพเทนาไม่มีสนะมบังก็ไม่มีภพก็มีชาติชาลามะณะไม่มีอันนี้ว่าเหนือการเกิดเจริญตาย ในสิ่งตัวนี้ในความชลาก็ไม่มีความชลาเรียกว่ามีมันมันไม่มีตัวนี้มาเมื่อไม่มีชาตินี่ไม่มีภพใดๆไม่เป็นอะไรล้งตาเลยพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยไม่มีภพมนชาติถ้าใครยังเป็นฉุกเป็นชุกหรือว่ามีพบมีชาติเราไหมไม่เป็นไม่มีเลยจ้ะเลยอันนี้คือไปเจอมาู้ได้เห็นทำ ก็เห็นเจ้าเป่ยนพระเจ้าเพื่อนเชื่อว่าเห็นธรรมพระเจเห็นธรรมเพื่อนผู้นั้นเชื่อว่าเห็นปฏิสมุทาผู้เห็ยนปฏิสมุทรผู้นั้นเชื่อว่าเห็นธมันก็เรื่องของจิตเรานี่อวิชามันก็เป็นอย่างนี้แสดงเป็นภาพอย่นี้ภาพนี่มาจากประเทศทิเบตมาจากจินนั่งทอมันจากปรืเจีนนั่งดาจะไปกิน น, นี่ท่านเกียบเห ม, มือนหูจมูกกตาเหมือนกับงูท่านเกียว่าูเห ม, ม, มือนกับนกจมูกหมืนกับกท่ในเรือนบ้านลื่นเหมือนกับตะไครตาเหือนสมมุนัขนเรืนป่าจิตใจเหมือนเรี เหมือนเด้งขึใจนะตาก็จะมองแต่เหมือนงูก็จะเข้าโลเข้าหัวปลารือก็เหมือนจระเชจะลงน้ำเหมือนจะนักในเรือนว่านจนักในเรือนกระ ลีงก็เหมือนกับจิตใจก็ต้งเหมือนกับเิี้ยงแต่ละตัวก็จะกันถ้าตัวหนังมีกาลังก็ดึงไปกันได้เึ้นตามันจะเข้าลงหนังรอฟอนเมื่อเข้าไปต่างถ้าดึงเอากายเอาเ อ, าอาล้มไปด้วยมันดึงไปแล้วทีหูมันเป็นใหญ่อยากจะฟังเสียงอะไรต่างๆก็ไปกันหมดดึงไป กินข้าวที่บ้านไม่ได้ต้องกินข้าวนอกนนเจ็เรถตุ๊กชาติวันที่อเอกายเป็นใหญ่ชอบสัมผัสอ้ใครชอบนวดชอบเหมือนเอาสัตว์หนกะิี่มาผูกใส่กันอาหารหกทานใจก็จะกินเมื่อกล่าสัตว์ทั้งหกทีนมาเลี้ยงว่านี่จะยังมีสติเป็นใหญ่ การคิดอะไรก็จะพึ่งด่วนรับด่วนไปเสียดที่มีสติย่อยก่อนห่อนผู้ก่อนทําก่อนคิดผู้สื่อได้สอนเราจึงมาฟุกสตินี้อ๋เท่านี้ก็พอแล้ววันนี้นะอย่ามาคิดอะห น, นึ่งให้เสสอนมาคิดให้เห็นมีไหมเื่อเรามหลงทำงามนมาเมื่อแล้วพานี้ได้ไหมเวลามราหลงลู่ได้ไหม เวลามันทุกข์รู้ได้ไหมเวลามันโกรธรู้ได้ไหมความปวดความทุกข์ความรู้ควมหลงเหมือนมืดเรามารู้ยู่ตัวเหมือนสว่างพ้นแล้วจะก็มืดฝ่านความหลงมาสู่ความรู้ฝ่านความทุกข์มาสู่ความรู้ฝ่าความโกรธมาสู่ความรู้ทําให้เป็นให้มันเจ็งตรงนี้พอเจ็งตรงนี้เําก็ไม่ถึงนี่หรอกไม่ถึงตรงนี้ถ้าไม่เจ็งตรงนี้ก็ปล่อยดำลงอะไรปล่อยกาย 啊，好了嘛，那你就吧。你过来，你过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，